บทภาชณีบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมภิกษุสําคัญว่าภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมฉันต้องอบัติภาจิตตีเป็นไว้แต่พัฒฐารที่กระหัสถารุไว้ก่อนบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมภิกษุไม่แน่ใจฉันต้องอบัติทุกกฏเป็นไว้แต่พัฒฐารที่กระหัสถารุไว้ก่อนบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมภิกษุสําคัญว่าไม่ได้แนะนําให้จัดเตรียมฉันไม่ต้องอบัติ ภิกษุชั้นบิณฑบาต ท, ที่ภิกษุณีผู้ผสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวแนะนําให้จัดเตรียมต้องอ บ, บัตทุกกฎเว้นไว้แต่พัฒหารที่เครือข่าปลารคไว้ก่อนบิณฑบาต ท, ที่ภิกษุณีไม่ได้แนะนําให้จัดเตรียมภิกษุสําคัญว่าภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมฉันต้องอ บ, บัตทุกกฎบิณฑบาตที่ภิกษุณีไม่ได้นําให้จัดเตรียมภิกษุไม่แน่ใจฉันต้องอบัตทุกกฎ ินบัต ท, ที่ภิกษุณีไม่ได้แนะนำให้จัดเตรียมภิกษุสำคัญว่าไม่ได้แนะนำให้จัดเตรียมไม่ต้องอาบัิ